เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องลาฉลาดการลครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่ลา พาลูกน้อยที่น่ารักเดินพาดงพงป่าที่มีอันตรายมากซึ่งลูกน้อยก็ร้องกระจององอแงอยู่ตลอดเสียงของลูกกลาานั้นได้ยินไปถึงเสือลายพาดกรอนตัวหนึ่งเข้าก็คอยหาโอกาสจะจับลูกกลากินเป็นอาหารให้ได้ขณะนั้นแม่ลาเหลือบตาไปเห็นเจ้าเสือลายพาดกรอน หมอรอจังหวะอยู่ก็แสนตกใจมากแต่ด้วยความคิดถึงลูกจึงพูดด้วยเสียงอันดังว่าเอ๋ไอ้ลูกตัวนี้เมื่อตะกี้นี้กินช้างหมดไปตัวหนึ่งแล้วก็ยังร้องจะกินอีกเหรอแถวนี้เสือสิงกระทิงแรดก็หาให้กินยากเหลือเกินเจ้าเสือได้ยินเข้าก็สะดุ้งโหยง โดดตัวลอยโกอยอ้าวไปเลยและไปพบเจ้าลิงเข้าเจ้าลิงก็บอกว่าเจ้าล้านี้เจ้าเล่มันพูดไม่จริงหรอกไปด้วยกันเถอะว่าแล้วลิงก็กระโดดขี่หลังเสือไปหาลาแม่ลูกทันทีครั้งนี้เมื่อแม่ลาเห็นดังนั้นก็พูดด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมว่าเงียบได้แล้วลูก เพราะเจ้าลิงเพื่อนแม่มันกําลังหลอกเจ้าเสือมาให้ลูกกินแล้วละ่ะเจ้าเสือลายพาดกรอนได้หินสะดุ้งสุดตัวกระโดดหันหลังกลับโกยไม่คิดชีวิตเลยเรื่องนี้สอนว่าการมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้เสมอ